บทภาชณีแปดอยยังไม่ได้บอกภิกษุณีสำคัญว่ายังไม่ได้บอกปู่หรือใช้พูดให้ปู่ที่นอนแล้วนั่งหรือนอนต้องอบัติภาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีไม่แน่ใจปู่หรือใช้พูดให้ปู่ที่นอนแล้วนั่งหรือนอนต้องอบัติภาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีสำคัญว่าบอกแล้วปู่หรือใช้พูดให้ปู่ที่นอนแล้วนั่งหรือนอนต้องอบัติาจิตตี ทุบทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสำคัญว่ายังไม่ได้บอกต้องอะบติทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอะบติทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสำคัญว่าบอกแล้วไม่ต้องอะบัด